การประชาสัมพันธ์การน้มเเป็นต่างตาขรู้จักม่เก้วหลังวัเราเลยมก่อนใ่แกวเป็นรบ้านเป็นสัา วัดเราแล้วไม่เท่าแต่กันแต่่านอนนอนซาหลังก็ทำอยู่ที่เดียวกันกไม่เป็นไรนเดินบอกระพากแบงไว้ไม่ถูกประสุย่นักมาเหมือนกันแต่ว่านอนมาแล้ว ไมิเยวตอนมาแล้วอีกการประชาสัมันวันนี้คุณนายจันทนก็นาจะรบติดย่าเกี่ยวกับประชาชนสมบูรณ์ลุกชากประมาณทเก้าโมงึ้นวันนี้หลังจากนั้นก็เลี้ยงข้าวอาหารเพท่าพนรินทร์พรสององค์นก็ศธานีมน ใจคือหลวงพ่อเาคงจะสั่งเพีๆๆพยงก็ประชาชนให้เราสัง่ง <c oughs> เรื่งเป็นแล้วเรื่งตายไปแล้ว <c oughs> เรื่องดีขอด้อนั้นคอันนี้มีเรื่องอดีๆเยอะเล <c oughs> มื่อเดือนที่แล้ว เ, เดือนวัดเรา <c oughs> ได้รับประกาศ วัดต้นแบบดีเด่นไปต่างจังหวัดตามโครงการของอาณาักรสมงคมก็คือวัดประชารัฐสร้างสดชื่ออย่างวัดก็บอกเราเป็นชื่อของมันประชาชนรักคือ ร, ราาักษา ก็จะมีการเซ็นเอ็มโอยูระหว่างรัฐกองค์กรรอบตัวรอบข้างหน่วยงานราชการแต่เป็นขนาดเป็น อ, อบอตอเทศบาลชุมชนให้มาเซ็นเอ็มโอยูร่วกันพูดสรุเลื่องออยูจะรวมกันเรื่องไะไรครับรู้สรุปภาษาหน่วยงานคือวัฐประชาันสังคม เมื่อก่อนชิงห้ากับเคลื่อนกันชิห้าแต่ว่าเมื่เกิดรูปธรรมโครงการนี้เกิดก่อนประมาณช่วโควิดก็เกิดกระหายไปเลยสองสามปีเพราะว่าไม่ให้ชุมนุมกันไม่ให้มาวัดพ้าดไปอดเลยอิทบาทก็ไม่ได้เลยว่าต้องไปายตาราดทำโรงข้าวเองสองปี แล้ววัดประชารัฐนีมันไม่น่าจะใช้ได้ช่วงนะั้นแต่รักเป็นไรก็ไม่รู้ตัวสำรองยูโรการวัดประชาชนระับไประดับไปรู้ต่อลำบากเขไม่เห็นกันมันโครงการแต่และโครงการนะโอ้มันขับเคลื่อนยากทางห น, าน่วยงานมันองค์กรไม่มีความเข้าใจร่วมกันก่อน มันยากดีครับเสือจไป้ง น, นาได้นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งกา่นาไปสะดวกนักป็ิวัตได้เนาะสงคานาไม่ให้ <c oughs> นี่เราต้องวัเนเรานี่เป็นเป็นวาดต้นแบบอีเด็นของชมัน ที่สี่ข่าวดีดีดีคุณหมอจุนจางว่าจะเป็นเจ้าภาพประธานกลุ่นเจ้าภาพไปแล้วสององค์ข้างบนข้างก็เจ้าภาพเราในุญาตแล้วเขาจะามาทำรายเราครับก็คือสาราลังใหม่หนนี้เจ้าประธานตองค์แรแน่เจ้าภาพเขาบอก ส่นพวกเราก็รว่กันได้บางท่างบามีส่วนร่วรมซาวไปตุรยกันแขกคนบ่าจอดพงหนึง่งถามได้เราเราก็ตอบ ไ, ได้ด่าเพราะอยาก ไ, ปไป้เปเรียบภาพมีไปด้วยว่อันนี้คือค่าดีแจ้งพวกเราอ่ะหนึ่งอยากเปะนมีกิจกรรมอะไรอย่าง แล้วก็สังการก็ไปให้ตยู่ี้หลายลาว <c oughs> <c oughs> สอบประทิตแล้ว <c oughs> ทีนี้มาเตยวันนี้มั <c> ่ง <oughs> วันนี้วันอะไร <c oughs> วันนี้วัน <c oughs> ใพะวันโยง เราโยมมาทำไมมาหาพระาหาพรบูบ้านก็พอคือเราทำจริงจริงบางทีเราลืมนึก น, กนกคิดไปเลย <c oughs> บางเรื่องเราให้ความสำคัญเป็นบางอย่างการให้ความสำคัญอยู่ดีเราดับให้มากให้น้อยหรือไม่ให้ความสำคัญเลย ประเด็นตรงนี้วันนี้เราคงจะมาเล่าเอกประวัติวันวันอะไรมนดีอย่างไรมาเสียอย่างไรปกคองมันมาเล่าว่าประวัติขอเป็นมาของพระเจา้าคนเราได้ยาระเด็กฟังเราตำราเด็กฟังวันนี้วันมาฆ่าที่ไหนก็พูดย่งนีทั่วประเทศลองลองไปพูดมั่อวันมาฆ่าเ่ย เราจะได้รับประโยชน์เราอย่าวลนหลาฮะมาเป็นตัวเราเรามีความเข้าใจมากมากหลายขนาดมัน <c oughs> 2, สองพันกวปีมาแล้ว <c oughs> เรื่องมันเกิด 3, สองพันกวปีมาแล้วมันไม่ใครมีโดร้าก็าตามสบายนั้งก็มีถดล้าตาตังที่ไปข้างนอม ตัวิงวันนี้เ็วันนักกัตาเลอร์ันนี้ก็ให้เกค่นอาตามสบายสบายยังไงเอายัวันนี้วันมาค่ะ ก, ก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าตอนเย็นแต่แต่บางก็ร่วมวีดีโด้วยกันให้มัสะดวกก็มเวีดีโอก่อนก็ได้เราพูดถึงประโยชน์ ก็มาคะเราควจะรัประโยชน์อะไรจากมาคะอุชาห์นี่เป็นวันที่พระสาพกสมผู้ชมกันพนสัญาลูกเป็นปฏิบริยสุทธระนันาารพระอาจารย์ระผู้ชมควรวางหลักการแนวการในการขับเคลื่อนศาสนา ก็มันกบฎชารับในแบบสร้างสุขที่แบบแต่กูจะทำมาสองพันกว่าปีมาแล้ว <c oughs> เราถ้าเราจะดูว่าการกลับเคลื่อนอย่างเนี้ยถ้ารับให้ความสนใจจริงๆคนจะศึกษาก่มวลว่าผู้จกลับเคลื่อนอย่างไรผู <c oughs> ู้ี่ว่ากลับเคลื่อนย <c oughs> มันเป็นเรื่องการเข้าใจยาก ขับเคลือ น, นเดียวไม่ได้พรอะสมงคนไม่ได้ <c oughs> แต่คนเดียวสามารถับเพื่อนหมกันาภาพรวมได้ดังที่เห็นาภาพรวมภาพรวมสิ่งนี้เมื่อกี้เริ่มต้นบอกแล้วว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาพุทเป็นอยา่างพุทธศาสนเป็นอย่างพราะฉะนั้นมนุษย์เรา พระเจ้าตัส ว, ว่าบัณฑิตที่อยู่ร่กันเป็นหัวเป็นก้านมีภาพรวทุนใจที่อยู่กันมีความรู้ย็นเป็นสุขได้พรที่ขับเคลื่อนอยู่ด้วยกันยังมีความสุขสร้างสุหนึ่งก็คือความเ ช, ชื่อความเชื่อมันต้องคล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนกันแค่ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่ต้องคล้ายๆกันผู้หญิงผู้ชายก็นววหนึ่งเรื่อง แต่มีภรรยาหรืเพื่อนหรอะไ ร, รก็แล้วแต่ชอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> ยืดยาวนานไม่แต่เพื่อนกันประเดต้องมีความเชื่อกันคล้ายกันเช้าวันนี้มาแค่บ่ายเช้าไปทำบุญไปโอ้ประเดี๋ไม่ว่ทาทำบุญตรงไหนก็ได้ทำบุญวันไหนก็ได้อะเป็นอย่งนี้น่ว่าเราขัดแย้งกันอืม เรื่องศรัทธาคือความเชื่อลหลายเชื่อหลายอย่างมันเชื่อเหมือนกันบางคนเชื่ออันนี้ไม่ได้่า ก, กันนะเชื่อตัวเจ้าข้าพีกับ่ิโรธปฏิตรัสมาตับความเชื่อนี่คือความเชื่อเพระความเชื่อเนี่ถ้าไม่ใกล้เคียอ ก, กันอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่คือความเชื่อนี่ขอ้อแรก แค่เชื่อกันละบาดยากที่ไปด้วยกันได้ข้อที่สองก็คือสมศสิคือมสินเสมอกานคำว่าสิ่ไม่ได้ป็นานเดปรปตาอินนาธานาที่เราเั้าใจกันนครับสีอันนี้เป็นเป็นรูปแบบเวสิ่งสิก็คือ ก, การกระทำทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีทว่กทาการกระคำถ้าสองอย่างมิเสมอกัน มายควมีความเห็นคือทิฏฐิอะไรแหละมีความเห็นตรงกันท้ายกันเขาอยู่ด้วยกันได้เรื่องนี้ของพอดีออกไปใช้ได้เช่นพวกโจรถ้ามีความเห็นตรงกันคล้ายกันเขาก็ทําได้เขาก็อยู่ด้วยกันได้นั่นแโอ้วันนี้ไม่มีตังตังหมดแล้วไปพ่นตะกัวารมดีไหมบอกว่าดีไปพ่นเซเว่นดีไหมบอกว่าดีคงดีออกมาก น, นะ อันนี้เรเขาเขาเชื่อที่มันค้ากันเขามคิดกันได้อันนี้ความเชื่อเร่องกันกับทั่งสมัยกันภาษาคืออันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วกสิ่ที่เราทำอเไี่ยวธาการแบ่งปันกันให้การเพื่อเพื่อจาระอกัรสละถ้าไม่มีธาไม่ีจาระอยู่กันอยู่ด้วยกันได้ คนหน่อยากจะทานบอกทำบนอะไรก็นนะกันหามันนี่มีจะกินอยู่แล้วอยากจะฆ่าโอ้บ้านเราของเรามีเยอะอยู่แล้วเอาไปบริจาคบ้างบริจาอะไรกันะกันนาจะอยู่อะวยกัไมได้บริจาคะในกติยรรงกันมันจะฆ่าแม้กระทั่งของไม่ดีที่อยู่ในจิตแจขงเราช่วยจะฆ่าจะฆ่ามันมีเประมาณกว้ากว่ากว่าทางให้นักเริกการให้ ปัตุวุฒสงฆ์ก็ให้คือเพื่อให้เราเกิดความเจริญเดี๋ยวนั้นยึดถือในของสิ่งเหล่านั้นในความหมายกหล่านั้เราไม่แปลว่าสบายพระสบายเจ้าตสบายสงฆ์จิวิานทานคือแสดงด้วยความคือเฟืออืมแพมีน้ำใจรภาษาเราง่างไงคือหลักการสังคันสงฆ์เพราะถ้าไมีมนี้มนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ธรรมชาติชาวมนุษย์เดิมมันจะสงฆ์เพราะอยู่ไม่มีกันเพราะแต่มันจํากัด มันสุะก็จะได้พอไ่พี่นอ้องอยากเปิดฝูงคงใกล้ตัวหรือผู้มีสินตอนนั้นนอกนั้นให้ไม่ได้ น, น, น, น, นั่คือหล่ายๆแล้วถ้าเราจจไย่กล้าให้ไม่ได้ส่วนจากขัน้นอันหนักก็มีเนื้อสามสี่อันนี้สำคัญมากเลยสติปัญญาความคิดความเห็นมันลงตรงนี้ไง ติเป็นยาให้เสมอกันหรือไม่เนี่ยมันคุยกันไมได้เลยอย่าว่ากันทํำเลยแค่คุยย่าคุยกันได้เป็นเรื่องสําคัญมันเตัวเนี้ยเป็นตัวชีวะว่ามสําคัญในระดับความสําคัญมันอยู่ตรงนี้อันนี้ผูจัดจัดนะมันไม่พูดออกอีกแล้ววันนี้เป็นวันมาฆะเป็นวันที่ผู้จิจาไม่ได้พูดมากเลยเพียงแต่หลักการบางกันว่าต่อไปนี้ ศาสนาของเราคือเขาอพูดเธอไปเลยอันหนึ่งก็คืออะไรก่อนเนาะคนจะริจะวัดตอยล้านเอาไว้ก่นอนเนาะยังไม่หับตอนนี้ อันนี้เหมือนกันเรีว่าพูด ก, การกระทบมันเสวยกันเป็นอย่าง้นอะไรก่อนอะไรก่อนที <c oughs> นี้เราพูดถึงการของผู้เจ้าผู้เจ้าวางว่าศาสนาของเรามันมีอุดมการณ์อย่างไรอุดมการณ์สิ่งที่ทันสุดเราเป้าหมายของศาสนาของเราเป็มีเลยเป็นเป้าหมายแล้ววิธีการที่เข้าถึงผู้วายทำยัไงนีสิ่งผู้เจ้าจะทำอะไร ผูจางเราไม่ใช่ตั้าคนละเอียดตอนมามาดีตดนนั้งแต่เราคุยไปทุกเรื่องอ น, นี่คือหลักหลักกองความที่ว่าอะไรดุลการคือหลักการเหตุผลต้องทำยังไงเมื่อเราเขียนโครงการถ้าใครเขียนโครงการเป็นไรเไงก็จะหลักการเหผลวัตถุประสงค์คนรโครงการเรื่อรของกา ร, <Yeah. S 1> รบงบประมาพอดีที่าเจเรย์เล่ ประมาณเนี้ยนิสัยคนหนึ่งแล้วพระเจ้าเขียนโครงการให้เราแล้วเป็นโครงการชี้ิตเลหลักการให้คนคืออะไรเป้าหมายคืออะไรคนที่จะเคืออะไรแล้วก็พวกโครงการแต่ที่สําคัญก็คือโครงการที่พระเจ้าเขียนขึ้นมาไม่มีว่าประมาณโครงการอื่นต้องใช้วัตประมาณมบางอย่ายแต่ของพระเจ้าไม่ใช้ว่าประสงค์เลยพวกโครงการ เรือสัพเพ ส, าาสัตตาสัพเสัตตทั้งหลายคือผูเราทุกคนไม่ได้มีจำนวนคนที่คาดจะไดรับเราก็เห็นกันอยู่แล้ว น, นี่คือสิ่งมหาจั ง, งเราด้คือโครงการที่คุณเจ้เคียรให้เราสอ0พันกว่าปีมาแล้วนี่การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนจะอธิบายง่ายจะเป็นรูปธรรมเก็ดรูปธรระการขับเคลื่อนทําหมอเห็นภาพรวม ง, ง่ายๆคาว่าขับเคลื่อน เราจะนั่งถึงรถคือสี่ล้อรถลับเคื่อนไปด้วยล้อสี่ล้อขับเคื่องแปลหน้าได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนขับเครื่องไปขหน้านามันวิ่งเดินได้ไหมไม่ได้ <c oughs> แ้วใครเป็นคนขับขึ้น <c oughs> สมมติสมมติว่ารถจะไมนมี ถ้าเป็นรถธรถรมดาแรมดาก็มีก้อนที่จะตเรียกว่าสาอันนี้เก็ดแรงเรืเร่เราก็จะแจกนบิด ก, กูแจกรอเยยบเยบขาดเกิดสตาร์พอมันติดพอมันติดก็เรื่มเยีบกันเรื่มมันจะไปเยีของแ ร, าร้ามันเร็วมากไปเบรคแตะไั แต่ถ้าเราไม่ทําเงินไม่แต่อะไรสักอย่างรถกรเด็นมันก็จะหยุดฟังโดยง่ายๆตอนนี้ถ้าถ้าคนเดินออกจากรถเสร็จก็รถคืรถรคนคือคนนี่เอาใจเย็นทีนี้สมมุติว่ารถขนานก็คือความคือู้วกเราเนี่แหละเราแต่เรา นี่คือตัวรอถนะตัวเครื่องโดยรถไฟกันนะคนได้ขับเครื่องไปใจคือจิตโดยรถไฟกนะถ้าจิตออกจากราก่างรถมันต่อยแพงรูกระดาก็ไปได้ไมได้ขับขึ้นไปได้ไม่ได้วันหนึ่งเราก็จะเป็นมันไม่แก้วต่างเม่แก้วจิตออกจา ก, ากล่างแล้ว รถก็ไม่ไปไหนไม่ได้ขับขึ้นไม่ได้แต่เบรคแต่การเลิกแต่อะไรไม่ได้ไไดทางนั้นไปไปไหนทางนั้นก็มีด้วยขับขึ้นนิบตัวเราตัวกับเพื่อนเราคืออะไร <c oughs> สตาต ร, าตราต์คือจุดเริต้นของเราก็คือสินนี่แหละตัวกับเพื่นเราไ่ด้ถ้าใครไม่มีสินขับขึ้นอะไรไม่ได้เลยนนไม่ได้นี่คือความสำคัญ ที่เราจะต้องเรียนรู้จากคือไหมคืนสอบก็คือมีศิลเสร็จแล้วมันจะไปต่อขั้นหน้ามากน้อยไปลไกลได้กระดังงาดูที่ขั้นเรื่องคือปัญญาตัวที่แปรคือสมาธิคณะะสามตัวเนี่ยที่บุญเจ้าวางหลักการของเร า, าอันนี้คือปฏิปทาในการดำเนินชีวิตอาจารย์ก็เอปฏิปทาในการดนชีวิต เราจะขับเคลื่อนไปขนาดไหนไปเร็วไปช้าหรือไม่ไปเลยก็ อ, อยู่ที่เราเนีลยเราจะขับเคลื่อนไปไหนมันไปได้หมดรถเราไปได้หมดไปได้ทุกที่ทุกทางเร็วไปช้าขนาดไหนเพราะนั้นสินจึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นข้อสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตสินขาดสินดางสินค้อยหรือไม่มีสินเลย มันก็จะเป็นตัวชีว้วัดทีนี้พูดถึงรถพูดถึงคนพูดถึงจิตพูดถึงรูปมันมีอีกประเภทหนึ่งที่เหมือนเราแต่ว่ากลับเก็นไม่ได้ช้าม้าโควไปตะกุดจะาแมงมุมมากกันงูหางงูาาาปาเหมือนกับพวกเราเหมือนกับเราก็อย่าง แล้วมันกลับไืนได้ไม่ได้มีสินได้อหมสมาธิรู้จักไหมเวลามีปัญหาใช้ปัญญาไหมไม่มันก็จะใช้ข้อที่มีอยู่แล้วแหละตัดสินสัปสัป ต, ตลอดจะอยู่จะกินยังไงจะปิ้งจะย่างของราไม่มีจะทอดไม่มีัอะไรก็ได้ได้การกันติดกันอีกตัวยังมีชัยอยอยู่กระเดากระเดาก็จะกัดกัด มารุกักเก็บอยู่นะเรียกคนที่มีสิทธิ์และศาสนาไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้นะทีนี้เราเลองเปรียบเทียบดูว่าความร้ายเแรงของคนที่ไม่มีสิทธิ์คือลักษณะพูดน่าคือโทษของการที่มีสิทธิ์เขาก็จะอยู่ไประดับบางตัวผู้ที่ไม่มีสิทธิ์นี่หน้าตาบุกเบิก เป็นคนไม่ได้ัณะประเภทที่ไม่มีศินเลยเนี่ยไม่จัดเป็นคนจัดเป็นสัตว์สูง ข, ขึ้นมาหน่อยมีสินคือมีบ้างไม่มีบ้างพวกบ้างมันพวกบ้างเอาแค่ห้าไม่ตูอ้อะไรมากเขาเราเป็นคนนี่เรียกเอาไปเอคนเพากบ้างนะพวกบ้าง เปได้ทคกคนอีกประเภทหนึ่งคือซีนาพบ <c oughs> นี่เป็นมนุษย์หนึ่งมาสูงกว่าคนเป็นมนุษย์สิทครบเป็นมนุษย์ถ้าใจสูงด้วยจมีสิทธิ์ครอบใจสูงมีปัญญาแม่เก็ป่าละ ขบพระพา ม, า ม, มันจะไปวิสัยเรื่องมันมองเนเหการณ์ผเราไปพระได้ถ้าสติปัญญาจิตเจสูงเป็นพระได้ น, น, จจดดนี่คือระดับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเลยว่าชีวิตยูจิตออกแดงว่างแล้วมันไปไหนมันไปตามระดับนี้แหละคือจิตไม่มีสินเลยมันก็จะไหลไปตามเป็นสตาส์ซาปรันท์ทั้งหลายอันนี้จิตที่ไม่มีสินนะ้อันตาราย ขับเคลื่อไม่ได้เลยแต่ถ้ามีศีลบ้างไม่มีแสงอากากลับคือกลับไปกคนมี่านศีลก็อยูด่ดีถ้าเป็นมนุษย์เจ้าขกวนอุนอ ย, ยนอ ก, ก็ไปสวัสละเพราะนั้นท่านบอกคนที่มีศีลห้าข้อน่หลักประกันทั้เลยคือไปดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นพระหนึ่งแน่ๆที่สุดก็คือถ้าจิตนะไม่ใช่กายนะกายออกแน่นอนไม่ได้ พระตกโรคก็มีคารู้สวหยตอนไหับไมได้มาดูจิตวิจิตเราป็นพระเนี่ยไปีไปสูงแน่นอนนี่คุณสมบัติการเริ่มต้นคือสตาร์ข้อแน่แค่ข้แรกกระดานนี้ไม่ธรรมดาแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยรถอันนี้ไปไม่ได้ขับเพื่อไปก็ได้จุดสตาร์จะไม่มีไปไหม่ได้ก็เหอนพวกเรากระาำตอนนี้เราสตาร์กันยยัง โอไปไปหยุดุดหุดก็ไปคำถามแล้วเมื่อะไหร่มันจะถึงพิจารุดก็จุดพิจารณ์ขำก็คขำแล้วเมื่อะไหร่มันจะถึงมันไม่รอชีวิตคนไม่รอมันไม่แจวไม่แจ่อยู่ตๆๆแต่เก้าสิบสี่กับเพิ่มแล้วถึงเก้าสิบที่ต็ที่เราวิ่งให้เต็มที่โดยประมาณ ร้100อยกิโลเองนะแค่วมาได้เก้าสี่กิโลตอนนี้เราวิ่มาได้กี่กิโลแล้วสสิบกิโลสี่สิบหกสิบเจ็สิบกิโลแล้ก็นลำบา ก, านา ก, กาหนกานักตุบกอลมบามันกอลมบาสุดท้ายการกายก็ไดโอ้เข้าวัดบ่อยแล้วไปวัดบ่อยแล้วกิโลที่แปดสิบเข้าไปแล้ว แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงปลายทางทลยนะไม่ได้ขับเคื่อไปได้อันนี้คือข้อแรกเดียวมข้อสองกคือปัญญามีสัมทัน์ถ้าไปเร็วไปช้ามันตัวนี้อยู่ที่คำเล่ง น, น, นี่แหละมันก็ต้องดูชีวิตรเราถ้าเป็นทางตร้งคนจะได้มันจะดูแต่ไปทางโคงเล่นได้ไหมระแหน่โคงตัวไหนตัวที่บวบ า, าเล่นได้เล่นไม่ได้ปัญญา ชีวตราอย่นี้ถ้าเราเข้บเคลื่อนด้วยสินสมุทัยปัญญาเอา ง, ง่ายๆจะเป็นรูปธรรมอย่างเนี้ยมันจะชัดเจนมากแต่ว่าจะ่าลืมว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องทิ้งรถคันนี้ไปรเราจะรู้ขนาดไหนก็ตามแท้ ข, ขนานไหนก็ตามถูกขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งคนต้องออกจากรถเพื <c oughs> ่อไปต่อคือจิตควรจะออกจากลานเพื่ไ ป, ไปต่อแล้วจะไปไหนต่อถ้าไม่มีทิศทางเลย อันนี้คือคกุศลที่พรเจ้าฝากพวกเราไว้เป็นสามเดือนเป็นสิสมุทติปัญญาแต่เราฟังจนประยัดจนจำได้สินสมุทติปัญญาแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆคือความสาคัญจริงๆของเขาต้องให้เราจับการสินสมุทติปัญญามากมากนณะไในกระตือรือร้นร่างกายเรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็ยากพอเราขับเคลื่อนร่างกายด้วยสินห้าเป็นหลัก เป้าหมาของเราก็จะได้ใกล้ครับหแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยเป้าหมาย ก, ก็อยู่ที่เดิมเราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าเขึ้นไปไหนเลยเพราะนั้นบวันๆหนึ่งอย่างเแล้วาต้ทบทวนสิ่ของตราเองว่าแบบ น, นี้ถ้าไมัไม่มีสิ่งเลยเนี่ยโอ้มาลําบากนะถ้ไม่มีสิ่เลยก็เหมือนกับไม่เหยียบเรือเทีย่ยวของเราเหมือนกับที่บอกว่าทําไมมันเรียบเที่ยวคนต่ําขนาดนั้น ไม่ใช่เพื่อเราสํานึกและสำเร็โอในขณะใดถ้าจิตของเราเนี่ยไม่มีสิ่งสักตัวเลยโอมันลำบากนะเป็นน่าไดอย่างน้อยก็สิ่งหา้าเป็นมาตรฐานอีกทีครับเพื่อแปลเป็นน่าดได้อย่างน้อยก็ได้เป็นคนได้เป็นมนุษย์แต่ที่สำคัญคืออย่างว่าลเล็ ก, กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ยังดีแต่กลับมาอีกทีเป็นคนยังไม่ได้เลยโอ ลำบากมากม่ใชบากธรรมดลำบากอย่างที่เราเห็นนี่แหะทรัพยสัตว์ทั้งหลายมันทนอย่าพวกเราไม่ได้เลยวิ่งซื้อไปไม่ได้ะมานกินไม่ได้อี่นๆทความไม่ต้องพูดถึงเลยลำบากลำบากมากวันนั้นเพื่อความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันยังไงแต่คนที่ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติแตกต่างกันยังไงคนวัดมีคนวัดแตกต่างกันยังไงอันนี้คือขอคิดฝากพเราสาหรับ วันสำคัญจริงๆอยากให้ทุกวันเป็นวันสำคัญของพวกเราไม่ใช่ว่าปีนึงมีวันสําคัญไม่กี่วันที่เหลือหลายร้อยวันเราไม่สําคัญในเดก็กที่ป <c oughs> ีเราก็ฝากพวกเราเนื่องกับวันนี้เราจะมีกิจกรรมที่ต้องทอีกเยอะตอนนี้กลางโมงานไปแล้วารางังจะไม่ไปอยากกินข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วครับจะได้ ประชาชอุสิศบทสุบุตได้ล้พูดทยางบพะทีนี้บทบทบทนี้บทกายก่สดใจใจนบทมากๆแค่นอเรื่องเอาบทกายก่อนเพราะนั้นพวกพวกเราไม่บทกายไม่ได้ก็ให้บทใจก่อนบทใจเอาก็เป็นพระอรเหมือนกันเนพระดุจใจก็ในคือสาระสำหรับพวกเราตอนน วันสำคัญวันนี้เพื่อเป็นแนวนแนวคิดแนวปฏิบัติเราก็จะได้สมนึกสมเนรจะได้ไม่ประมาทในว่าสําคัญในวันนี้อยากให้เราโอกราดับจิโกรือน้องกระหาเอาไปคิดเอาพิจารณาแต่ก็ปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์จากวันสําคัญในวันนี้เพราะฉะนั้นตอนอย่างวันนี้ถ้าใครว่าเชิญชวนพวราว่า้องบริสุทธิ์ผู้จะเป็นทั้งคนสามคนที่เราจะฝากเอาไว้ ด้วยการพละนาบุทรคนทำบุญสังคุณแล้ก็เวียนเชียนเพ่อน้นนนนนองรุกถคนกราบพระพุทธเจ้าในวันมาทักบูชาในวันนี้